แกความเข้าใจผิดในข้อที่สองสมาธิในจตุทถาฌานคือฌานที่สเป็นสมาธิระดับสูงสุดแม้แต่สมาธิในฌานสมาบัติที่สูงขึ้นไปคือในอรูปฌานทั้งหลายก็จัดเป็นสมาธิในระดับจตุทถาฌานทั้งสิ้นเพราะอารูปฌานทั้งหลาย ก็มีองค์ฌานเพียงสองอย่างเหมือนกับจตุททาฌานคือมีอุเบขาและเอกคตาและถือได้ว่าจตุทถาฌานเป็นฌานที่ใช้ประโยชน์ได้สากลเช่นจะใช้เป็นบาตรแห่งวิปัสสนาก็ได้เป็นบาตรแห่งอภิญญาก็ได้เป็นบาตรแห่งยิโรสมาบัตรก็ได้ดังนี้เป็นต้นอย่างไรก็ดี แม้สมาธิในอรูปฌานจะเป็นสมาธิระดับจตุทถาฌานก็จริงแต่ข้อพิเศษก็มีอยู่คือสมาธิในอรูปฌานประณีตลึกซึง้งห่างไกลาจากปัญจณีกระทำคือสิ่งรบกวนมากกว่าสมาธิในจตุทถาฌานสามัญและแม้อรูปฌานด้วยกันก็ประณีตกว่ากันยิ่งขึ้นไปตามลำดับขั้น ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าผู้ที่ได้จตุททาชานแล้วบราราาลุอรหัตผลท่านยังไม่เรียกว่าเป็นอุปโตภาคาวิมุตยยังเป็นแต่เพียงปัญญาวิมุตตต่อเมื่อไดเอารูปปานสักขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วจึงจะเป็นอุปโตภาคาวิมุตตโดยในยะนี้คำของอัตถกาถาที่ว่าใช้จตุททาชานเป็นบาสนั้น จึงยังมีข้อแม้คือในบางกรณีอาจใช้สมาธิระดับจตุตถาชานสามัญก็ได้แต่ในบางกรณีต้องใช้สมาธิระดับจตุตถาชานที่ประณีตขึ้นถึงขั้นอรูปฌานที่เหนือขึ้นไปดังได้แสดงหลักฐานให้เห็นแล้วว่าพระปัญญาวิมุตต์ตามความหมายที่เกรงรัดหรือโดยนิปริยาย เป็นผู้ได้แต่อาสวัคขยญาณอย่างเดียวไม่ได้วิชาหรืออภิญยาอื่นๆและไม่ได้แม้แต่อรูปสมมาบัตดังนั้นการได้วิชาครบสามหรืออภิญยาครบหจึงเป็นวิสัยของพระอุปโตภาคาวิมุตต์ซึ่งได้สมมาบัตถึงขั้นอรูปแล้วพึงระลึกไว้ด้วยว่าพระอุปโตภาคาวิมุตต ที่ไม่ได้วิชาครบสามไม่ได้อภิญยากรบหคือไม่ได้โลกิยวิชาไม่ได้โลกิยาอภิ ญ, ญาก็มีอาศัยเข้าความจากบาลีเช่นนี้เป็นฐานอธถกถาได้อธิบายวิธีการเจริญอพิญยาอย่างพิสดารซึ่งพอสรุปได้ความว่าเบื้องแรกเมื่อเจริญสมถะจนได้ฌานสีแล้ว ให้เจริญต่อไปอีกจนได้สมาบัติครบ8แต่จำกัดว่าต้องเป็นสมาบัติที่ได้ในกสินแปดคือยกเว้นอาโลกกกสินและอากาศกสินซึ่งในวิสุทธิฎีกาแสดงเหตุผลว่าไม่ใช้อากาศกกระสินเพราะทำอรู ป, ปรสมาบัติไม่ได้ส่วนอาโลกกกสินนั้นความจริงเหมาะแก่การเจริญที่พยาจักสุ แต่ในที่นี้ท่านว่ารวมเข้าในโอทาตกกสินแล้วจึงไม่ต้องแยกต่างหากตามหลักที่แสดงไว้ที่วิสุทธิมักผู้เจริญอรูปปสมาบัติต้องได้จดตุทถาฌานในกสินเก้าข้อใดข้อหนึ่งเว้นอากาสักสินเมื่อเจริญสมถะจนได้ฌานสีแล้ว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 ไปใช้เพื่ออภิญญาตามความต้องการย้ำข้อสรุปว่าในการฝึกเตรียมจิตไว้ต้องใช้สมาบัติ8ดแต่ในเวลาทำอภิญญาก็เข้าฌานเพียงจตุทถาฌานเท่านั้นทั้งนี้เพราะว่าเมื่อเข้าสมาธิถึงจตุทถาฌานแล้ว จิตซึ่งเคยอบรมมาดีแล้วด้วยสมาบัติแปดพอมีสมาธิถึงระดับจตุทถาชาญก็มีความประณีตเป็นพิเศษยิ่งกว่าจิตของผู้ได้ลำพังแต่จตุทถาชาลุ้นล้วนเมื่อตัดตอนเอาตรงนี้ท่านจึงกล่าวว่าใช้จตุทถาชาญเป็นบาดของอภิญญาตรงกับที่ท่านพูดไว้อีกสำนวนหนึ่งว่าจิตที่พร้อมด้วยองค์ป คือเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นต้นโดยการอบรมด้วยสมาธิระดับจตุทธาชานถึงขั้นอรู ป, ปรสมาบัติอย่างนี้เป็นของเหมาะแก่การน้อมเอาไปใช้จึงเป็นบาตรคือเป็นประทัดฐานแห่งการประจักษ์แจ้งด้วยการรู้จำเพาะซึ่งอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมทั้งหลายอย่างไรก็ดี มีข้อยกเว้นว่าสำหรับท่านผู้มีบุพโยคคือมีความเพียรที่ทำมาแต่ปางก่อนเป็นพื้นอุปนิสัยหรือเป็นทุนเดิมแรงกล้าแล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกพะพุทธเจ้าและพระอัครส า, าวกเป็นต้นไม่ต้องฝึกฝนครบกระบวนวิธีตามลำดับก็ได้และสร้างความชำนาญเพียงในจตุตถาชานล้ว น, วนก็เพียงพอที่จะทาอภิญญาให้เกิดได้ ไม่จำเป็นต้องสร้างความชำนาญในอรูปปะสมาบัติในกรณีของพระพุทธเจ้าแม้ไม่อ้างบุพโยคะหรือบุพเเหตุอย่างอัตถะถาว่าก็เห็นได้ชัดว่าจำนวนแบบสองอย่างที่ยกมาอ้างข้างต้นสอดคล้องกันและกลมกลืนกับหลักที่ได้แสดงมานี้กล่าวคือจำนวนแบบที่หนึ่ง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 และอุทกกาดาบทรามุตทและตามสำนวนแบบที่สองก็แสดงว่าพระองค์ได้ส่งฝึกปรือความชำนาญในสมาบัติทั้งหลายมาโดยตลอดตามลำดับ